น้ำเย็นโยมน้ำเย็นนะฮะเอามาตรงนี้เลยมากองนี้เลยตมาจะเส ก, ก่อนเพราะจะให้พรอ่ะพรของตอมานะั้นต้องกรวดน้ำน้กรวดต้องเข้าปากโยมด้วยอะถึงน้ำาจะไปไพรนันประเสริญนะั้นต้องเข้าปากเลยฮะห่วงน้ำที่เต็มย่อมจังจามหมดสังก ORN ่ยบริบูรณ์ดได้ฉันใดนี่น <laughs> Orn, Dragons, cambiar, is, arriba, อ Gift, ้าเข้ามาหน้าโยมเข้ามานะาในคาสการอยากรับพรธารมานะมานะทรไมจาให้เลยอ่ะพรธารมานะไม่เหมือนใครนะโยมนะนะพรนั้นประเสริฐเดี๋ยวจะรู้สึกนะเดี๋ยวจะรู้สึกนะอ้าวรับหับดูหลับทราบแล้ว เออนั่งตรงไหนก็ได้นะยโยมนะนั่งให้เต็มเต็มเลยถ้าใครอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไม่ได้พร เ, เน้พอพรมันต้องอยู่ในควดว <c oughs> ดีดีแล้วดีแล้ว <c oughs> น่ะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยทุกคนนะน่ะ <c oughs> ขอตอวายอาหารเสร็จแล้ว ตามประเพณีก็ต้องให้พรก่อนจะให้พรก็ต้องบอกวิธีว่าพรนั้นประเกิบไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่วันนี้อาตามาจะมีพรอตาตมาเป็นด็อกเตอร์สาขายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคดังนั้นธรรมาจะมีศาสตร์ไม่เหมือนใครพรของตรรมาก็อาตามาจะเทกน้ำเย็นเสร็จแล้วโยมก็กินเข้าไปถ้ากินเยอะเห็นพรอรามาชัดเจนถ้ากินน้อยพรธรรมาจะไม่เข้าท้อง แล้วก็ตามพรตามาไปเลยว่ามันไปถึงไหนและมันโยมจะเป็นคนประเสริฐที่สุดเลยถ้ถาน้าเย็นอยู่ในท้องนะแล้ว อ, อยู่ในท้องรับรองเนี่ยก็เรียกกรวดน้ำอันนี้ไม่ก็ได้กรวดข้างนอกกลวดเข้าปากเลยกรวดเข้าปากเลยแลย้วกินเข้าไปเราจะรู้ว่าพรที่ใช้กินคืออะไรใช่ไหมน้าันนี้ตามาก็อันนี้ครบกันนะเนี่ยน้ำครบกันไหม ออมีแจกอยู่ครับผมออมีแจกอยู่นะแ ล, แล้วใครยังไม่ได้บ้างอันนี้ต้องเศกก่อนบบนี่ทไมธรรมานี่ไม่ใช่ธรรมดา น, นะโยมนะเสกน้ำเย็ยนได้พอแค่เย็ยนมามาาไปแจกได้เลยนะใครรับสมัครก็รับได้เลยนะ S 1> <S 1> <S เออาถ้ารับจำปัดจังมือตามาก็ได้เนะยเอออย่าพึ่งทานนะอย่าพึ่งทานนะเอ่เอเนี่ยรับจำปัดจังมือตามาเลยเอจังมือตามาเลยเอ่เออนี่ด้วยนรถเนี่ยเอาไ้เลยเอ้เอาีเอา้เลยฮะ ได้เลยได้เลยได้เลยฮะเดี๋นะครับเดี๋ยวจะส่งต่อต่อกันไปนะครับจะไม่ต้องลุกขึ้นมาครับเดี๋ยวนี้รอบรอบเที่ยงอีกรอบหนึงนะครับรอบเที่ยงจะได้เน่ออ้าวถวายมาอืนักเลงเน่าเอาเอาเอหลอดหลอดหลอดฮะหลอดหลอดจิ้มนะหลอดจิ้มนะยอมนะถ้าหลอดไม่มีมีในถาดนู้นฮะเมื่อกี้ในถาดมีฮะในถาดมีฮะ ในถาดมีนะน่าในถาดมีนะอ้าในถาดมีนะเออหนาวนะน้าใครคีบไม่ได้ก็เคี้ยวเลยนะกัดซะเลยนะในหลอดช่วยๆๆช่วยช่วยทรงหลอดหน่อยนถะช่วยทรงหลอดหน่อยนะ น่ะเอาเอาใครใครยังไม่ได้นะเอามาเอ า, ๆๆ เ, อาเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจอ่าก็มาเลยคนเลยไม่เคยเกรงใจใครเปพะไปแล้วเลยเลยเอาตอนนี้ก็สมาก็จากจะให้โยมคาว่าพรนี่น่ะ ผู้คนก็รับกันหมดแต่ทําไมต้องกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ใช่ไหมแต่ตอนนี้อาตมาจะทิศส่วนกุศลให้โยมเขาว่ากุศลนั่นคือเย็นอุทิศนั้นคือด้วยใจแล้วก็กินน้ําเย็นก็ไปแล้วถึงความเย็นถึงท้องโยมกุศลจะเกิดขึ้นนั่นแหละส่วนกุศลมันจะเกิดตรงนั้นไม่ใช่กรวดน้ําเทออกอันนี้กรวดน้ําใส่ปากใช่ไหมกรวดน้ําใส่ปาก ถ้างั้นก็ให้านายโยมทานเลยถ้าใครอยากรู้ว่าพรตมาศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนถ้าใครหมดเป็นขวดในคนนั้นก็จะได้พรเยอะเอถ้ากินน้อยๆพรตมาก็เข้าไม่ถึงเอาเข้าไปเลยนะเอาเข้าไปก่อนไปก่อนเขอย่าทาที่หลังนะาทานเยอะๆนะแล้วก็ดูว่าพรของตมา ล, ลงไปถึงไหนแล้วให้ยโยมตามไปด้วยนะพรของตมาไม่ใช่ธรรมาดานะโยมรู้สึกนะ เออพรคนอื่นกินให้พรแล้วไม่รู้สึกแต่พรธรรมานะ่ะกินแล้วรู้สึกรู้สึกระไรรู้สึกว่าเย็นเพราะพรธรรมาเป็นหลวงตรเย็นอ่าใจโยมอยากรู้ว่าพรธรรมาศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์โยมึ้นกินไปครึ่งขวดเลยเออปล่อยทิ้งที่เลยครึ่งขวดแล้วก็ตามไปเลยฮะอ่าตามความรู้สึกเย็นเย็นไปเลยตามไปตามไปตามไปจนสุดท้ายมันก็ไปลงถึงกเพาะเราลงถึงขั้วเราปับ๊บเราก็จะรู้เลยว่าพร น, นี้มันศักดิ์สิทธิ์ไหม นะักดิ์สิทธิไรเพราะมันล้างสมองตอนนี้ล้างสมองปา๊บ่ะสมองที่เคยคิดเคยต่างๆนานามัมนก็จะล้างหมดล้างหมดเพราะมันน้าเย็นมันล้างอันนี้ก็เรื่องน้ําล้างสมองนะฮพรที่ล้างสมองเลยแลยกินเสร็จล้วก็ตามไปด้วยเราใช้เวลาไม่นานโยมครับไม่นานประมาณไม่เกินสามนาทีถ้ารู้ว่าพรตมาเรียงลงไปถึงท้องโยมโยมก็เติมอีกเลยนะ เพิ่มไปเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะน้ํานี่เป็นน้ําบริสุทธิ์มากและเป็นน้ําที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานและบรรลุถึงพระพุทธเจ้ามาแล้วที่ศาตดาเอกของโลกนั้นคืออธิษฐานน้ํานี้เองโยมฮะท่าอธิษฐานน้ําไปแล้วก็ลอยถาดไปในน้ําตอนนี้น้ําที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานตอนนี้เข้าไปในปากเราแล้วและเข้าไปในท้องแล้วตอนนี้ถาดถาดยังไงถาดนั้นคือสติเรา นา้าเจตีเราต้องตามไปด้วยนั่นคือถานเพราะเราจะเอาถานมาลอยไม่ได้เราต้องเอาสติตามไปแล้วน้ําไปถึงไหนถาดก็ไปถึงนั้นถ้าเกิดว่าน้ํามันน้อยถาดไปก็เกยตื้นลงไม่ถึงทางนั้นเลาเอาเต็มที่เลยทาให้ไม่ถึงก็ลงทั้งขวดเลยนั่นก็ตอนนี้ถานมันจะลอยปิดนุ่นน้าเลยสะดือไปเลยเนี้ยเลยสะดือไปเลยลงถึงกระเพาะเลยไปถึงลงกระเพาะปับ๊บ ถาดมันก็อยู่ตรงก็เพอแเละแหละ ถ, ถาดนั้นคือน้ำเย็นเนี่ยติเราเหมือนถาดน้ำเย็นเป็นน้ำที่นำทางนำทางไปสู่ความสันทิสุขเขาเลือกพรนอันประเสริฐสันทิสุขเนะ่ยกุศลเกิดขึ้นนั้นน้องเย็นกุศลนั้นไม่ได้ของร้อนแล้วก็พยายามเลื่อยลึกไปเรื่อยๆพยายามให้ดูให้ชัดๆเพราะว่าไอ้นี้เป็นการเลือกพรอันประเสริฐ แต่ตจนมากอะตมาจะให้โยมมีดวงตาตาตาตาในส่วนมากก็สอนตานอกแต่ตอนนี้อะตามายจะสอนตาในโยมีสองตาตานอกไว้ดูคนอื่นแต่ในตาตาในนั้นไว้ดูน้ําเย็นอ่ะน้ําเย็นถ้าเห็นเราเห็นชัดเหมือนตามองเห็นนี่ไม่กว่าตาเราใสมากตาข้างในชัดเจนต้องเลือกตาดวงตาเห็นธรรมทาไมถึงเห็นธรรมเพราะมันเย็น อธรรมะเป็นของเย็นไม่ใช่เป็นของร้อนแล้วธรรมะทำแล้วธรรมะตอนทำอะไ ร, ระต้องไปอยู่ในท้องเราเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใครอยากเห็นพระพุทธเจ้าต้องโอปัญญายิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสู่ข้างในน้อมไม่เป็นแน่นอนเลยกินน้ําเย็นเข้าไปตามเข้าไปข้างในปั๊บจะเห็นอะไรเห็นผู้รู้ รู้ว่าผูรู้อะไรรู้อยู่ในท้องเรานั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองพยายามรักษาไว้ตรงนั้นให้ดีพยายามเช้านี้ต้องเอาฮะต้องเอาก่อนแล้วก็จะมาก็จะมีเอ่อก็เลือกว่าเพ็นกรรมฐานกล่อมใจโยมเอาเปิดให้หน่อยดิอย่าทำไปนะโยมอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวพรนะป่าหายพยายามให้ให้ถาดเรานะ ให้ทานเราในที่อยู่กับน้านําทานนะสติกับน้ําเย็นสุดท้ายต้องอยู่ด้วยกันนะลงไปถึงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะอย่าไปบอกแปอย่างอื่นก็ดูทรา้มันดูว่ามันมันมันมันจับติดขนาดไหนก็จะรู้นะไหนใครเปิดมันมาดูนะเปิดแล้วเอามาเลยนะก็ตามไปนะโยมนะนะอืมนะ ห่ายได้น้ำเย็นแป๊บเดียวมันนำทางเราไปได้เลยไปข้างในสตีเราจับได้สติเราเราต้องยืนกลางไว้เขาว่ายืนกลางตรงความเย็นคนร้องนี่เป็นผู้พิพากษาเขาเจอกรรมฐานน้าเย็นเขาร้องตอมาเปิดอย t ่ทุบไปเจอเข้าก็เลยมันตรงมันตรงเป้าหมายที่เราสอนกรรมฐานกันเนี่ยคณะก็ดูตรงนั้นเราจับได้เลยฮะ ตอนนี้เราอยู่ในท้องเราแล้ ว, ลวสมองเราก็จะโปร่งขึ้นมาเขาเรียกบบท้องเขาเรียกพลานานพิเศษคือความรู้สึก่ความสบายไม่มีความกังวลทั้งหมดนั่นเขาเรียกแบาเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ถ้าเราให้พรแล้วยังเป็นยังหากมงคลไม่เจอามันมงคลไม่เจอก็มันก็มันไม่เป็นมงคลดังนั้นจิตเราลงไปตรงนี้แล้วเราก็มีตาสองตาตานอกกับตาใน ตาในมองเห็นแต่ความเย็นชัดเจนตาในชัดเจนเหมือนเขาโบพ อ, อร์ทอนไตรักน้ำเย็นเย็นถอนใจรักยังไงโยมคิดดูโยมไปเห็นความเย็นร่างกายโยมหายหมดภัพใต้ใจพังโยมไม่เห็นหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เลยกเมื่อก็เรียกว่าเกิเป็นการถอนใจรักยึดมั่นถือมั่นเรียกอุบายน้นําเย็นตอนนี้ทางร่างกายเราไม่มีภาพทัานนั่นเองโยมนะร่างกายของเราต้องถึงอยู่แล้ว ใจใจเราอ่ะบ้านใหม่ของเราเนี่ยกาลังไปหาบ้านใหม่เจอคือบ้านบ้านนี้พวกไม่กินบ้านนี้ไม่เกิดใครเข้าไปแล้วไปอยู่แล้วไม่เกิดเลยครับมาเกิดไม่ได้นั่นก็เลือกบ้านที่พุทธเจ้าไปแล้วบ้านใหม่บ้านเอี้ยมเลยตรงนี้นั่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านตรงนี้นะ่ะ ดังนั้นวันนี้ก็ัตามาก็เลยจําเป็นต้องให้แบบชุดพิจาราชุดพิดานตั้งแต่โยมเกิดมาก็ยังไม่เคยมีใครให้พรด้วยอุบายน้ําเย็นเข้าปากโยมแล้วกัตามาก็กรวดน้ําไปแล้วว่ากุศลจะได้หรือไม่ได้โยมก็รู้ว่าตอนนี้ได้แล้วอยู่ในท้องโยมในเย็นเย็นนั้นก็พัฒ ต, ตามประจาโลกส น, นุกส น, นะ น, นุกนะสนุกสนุกนะไม่ใช่เอาจริงเอาจังนะเเอาจริงเอาจังกัตามาก็เป็นพระก็ เ, เรียกเป็นพระ ก, กัลลัน คือไรสาระเรื่อยๆแต่เย็นๆนั่นนะถ้าถือตำมุตว่าหลวงพอเยือนก็อยู่ในท้องโยมก็แล้วกันอาจจะมาเข้าท้องโยมได้นะเย็นๆนั่นคือโยมใจเยือนในอยากให้โยมไปเยือนอยู่นานๆโยมก็ดูเย็นๆมานานๆยู่ไปเรื่อยๆบางคนก็อยุดเป็นเดือนบางคนก็อยู่เป็นปีหลวงใจเยือนอยู่ได้นะทําไมเป็นท้องอยู่ในท้องโยมเพราะจิตตรงนี้สอนไปหาจิตเดิมแท้ ก่อนที่เราจะมาเกิดนั้นนั่นแหละโยมมองเห็นชัดไหมก่อนที่เราจะมาเกิดมันเป็นความว่างรู้เย็นๆต่พปรุงแต่งไม่ได้ถ้าปรุงแต่งไม่ได้ปุ๊บทท้งนั้นเองไม่ความาเรา พ้นจากพัญญาณแล้วถ้ายังปรุงแต่งได้เราอยู่กับพัญญาณถ้าปรุงแต่งไม่ได้ตับไตใจปรุงของเราไม่มีนั่น่ะไม่ความพปัญการปรุงแต่งเราไม่ได้แล้วเราก็จะเกิดไม่ได้ทําไมเกิดไม่ได้เพราะกายมันหายมลวู่ดูลย์เบอกถ้าเห็นจิตกายหายเอแต่เห็นกายจิตก็หายพูดคำนี้แง่สำคัญมากถ้าเห็นจิตกายหายโยมก็ดูที่ว่าถ้าโยมเห็นเปลี่ยนเย็นเนี่ยกายโยมมีไหมตับไตใจปรุงมีไหม ถ้าไม่มีนั้น่ะถูกต้องที่จุดแหละเห็นจิตกายหายแต่ก่อนก็ตอนให้เห็นกายโ ย, ยมก็ไม่เคยเห็นจิตเห็นตกายกายมันก็ปรุงแต่งตลอดเพราะมันมีวิญญาณก็เป็นฉากการปรุงแต่งไปเรื่อยๆแต่งังินตัวพทธเจ้าของเราเนี่ยท่านท่านเห็นกายมาก่อนท่านพุก ก, กายมากจะแก้ปัญหามันก็กไม่ได้ทันทีท่านก็เลยไปหายจิตตอนนี้ท่านไปหายจิตเจอจิต ท, ที่ไปเจอแล้วสมาที่เจอแล้วจะมาที่ว่า ตายแล้วไม่เกิดท่านไปเจอจิตที่ไม่เกิดแราวท่านถึงเปากประกาศภพประจ า, ตานาขึ้นมาว่าศาสนาสมาธิศาสนาตาถ้าไปเจอแล้วเขามีสมาธิตรงนี้ตายแล้วไม่เกิดไม่ต้องบรรลุธรรมแค่ไม่เกิดก็พอแล้วนะไม่ต้องไม่แค่ไม่เกิดก็พอแล้วเราก็ดูว่าจิตตรงไหนตายแล้วไม่เกิดเราก็อยู่ตรงนั้นถ้าจะเทียบให้จิตเราตั้งจิตตรงไหนตายแล้วเกิดไม่ควรจะอยู่เพราะอยู่แล้วมันจะเกิด ถ้าไม่อยากเกิดก็ไปอยู่ที่ไม่เกิดตอนนี้ไม่เกิดอยู่ตรงไหนก็โยมดรวยเย็นเย็นที่ในท้องโยมอะถ้าตายแล้วโยมจะเกิดไหมถามไม่เลยฮะไม่ต้องมาถามปานถาถามไม่เลยว่าถ้ารู้สึกเย็นเย็นนั้น่ะความนัความความเย็นชัดเจนว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดรู้ต่เอา ไม่เกิดเลยเอถ้าไม่เกิดโยมก็ไปอยู่ถ้าไม่เกิดแต่ตรงไหนถ้าเกิดไม่ต้องไปอยู่กับมันฉะนั้นเราอยู่ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเรื่อยๆเดือนพฤศวันนี้นาทีนี้ก็อยู่ไม่เกิดชั่วโมงนี้ก็อยู่ไม่เกิดอเดือนนี้ก็อยู่ไม่เกิดต่อไปก็เป็นอัตโนมัติตายแล้วไม่กลับมาเด็กมันง่ายอยู่ไม่ได้ลำบากลําบนเลยนะฉะนั้นตมาก็ถึงว่าตอนนี้พรตมาเข้าท้องอยู่แล้วเย็นๆนั่นน่ะนั่นแหะพรอันเปิดนะ ต่อไปก็ยะถาเลยไม่ยัางไงก็เข้าไปแลกรวดน้ำให้เรารวบรอยแลย้วนะยะถาวริวหาปุ ร, ราราริเรนติกากรังเอวเมวะอตดินังเตตนังอุปกะปิเตอิตตังปิตตังทุมหังกิตเมวัจามิตตุสัพเปุเรนตุสังกะาฉันโตพนโซยะามนิโติรโยยาตปโวัจจันตสัโปโินาตจ ม, มาเต พระวัดวันดารายโยตุกีติกายุโกภวะอภิวาทนาตีเลตานิตยังุงตาปิชายโนจตารโหตมาวัดันติอายุวันโอจุขังพระลงังสาธุดเดี๋ยว <c oughs> ขอให้ทุท่านนะครับได้แผ่เมตตาแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปร่วมรับประทานอาหารหลวงพ่อที่พัฒอาหหาาารรที่ลงพพิจณาาแล้วก็ได้เลยก็ข อ, ขอให้ เพราะเขาเรียกาอนุญาตให้ทานได้ทุกคนแต่ก่อนที่กานไปนะน้ำเย็นําไบจะออกนะแล้ว ใ, ใครให้ตะไอยู่ในท้องได้ยังองเย็นอยู่ไหมไหนั่นะหลวงพิเยือเราจะเยืนเข้าท้องคณได เ, เ, เดีไม่ใช่ธรรมดานเยนี่เดเออไปเยือยืสบายปลอด้ยนี่คือดวงตาเห็นธรรมเราจะมีตาหนึ่งให้ดู แค่ตา น, นี่จะดูแค่ตรงนี้เองดวงตานี่หายมากนะทำไม่ใช่น้ำเย็นไม่เห็นเลยนะโภก็ไม oh on, ่เห็นนะเพราะงันยังไงโภต่างนานไม่เห็นเลยอันนี้เห็นเป่งๆๆยังไมานํำตาอย you, <ๆ>่างดิ้นนะจิกจิกจิกจิกจิกจิกมีพลังเลยน้ำเย็นตมามีพลังเลยเออถ้าเกิดดูให้ดีถ้ากินเยอะน่ะมันสบายเลยน่ะถ้ากินน้อยๆอ่ะราดมันติดเกิดตื้นไม่ไปครับนะอนี้ครับการละโมณสามจบแล้วก็ได้แผ่เมตตา กบพระในลำรับต <ersch> ่อไปนะครับนโมตัสสะทาควะโตอะระหะโตสมมาสมพุตตะสะนโมตัสสะทาคาวะโตอะระหะโตสมมาสมปุตตะสะนโมตัสสะ สนใดสาธุบุสนใดห เ, เกิดขึ้นแล้วาเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้ ว, แ, ลวแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายาเจ้าทาั้งหลายก็ขอให้สรรพรัตรทั้งหลายขอให้สรรพัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายอยู่ในวัตาสงสารนี้ทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลนี้ด้วยหากตก อยู่ในที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากอยู่ในที่สุขแล้วก็กกวขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป อ, ไปอะรหังคัมมาคัมพุทโธพระควาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวากโตภะคะวะตาธัมโมธัมมะนะมสิสุปปิปันโนภะวะโตสาวกชังโค